สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียพี่บาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยหกสิบเจ็ดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สี่สิบสองโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพุ่งหลายในการวันนี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าสําหรับอาหารที่หัศัยเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นมาอยู่สองทางด้วยกันนะครับในวันนี้ จะมาพูดถึงทางที่สามแต่ก่อนที่จะพูดถึงทางที่สามนะครับผมขอทบทวนที่มาของการจัดเตรียมอาหารที่พระเจ้าส่งมาให้กับเราประการแรกก็คือมาจากอํานาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้าโดยปกติแล้วนะครับพระเจ้าจะทรงใช้ธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างไว้เพื่อที่จะให้อาหารเรานะครับแต่มี การกระทำของพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าประทานอาหารให้กับคนที่รักพระองค์ช่องทางที่สองก็คือพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของคนของพระองค์โดยผ่านคนของพระองค์คนอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นช่องทางที่สองในวันนี้จะพูดถึงเรื่องช่องทางที่สามครับช่องทางที่สามนั้นก็คือพระเจ้านั้นทรงเลี้ยงดูตอบสนองเราเรื่องของอาหารและความต้องการทางกายภาพนั้น ผ่านทางความเพียรพยายามของเราเองนะครับผ่านทางเพียรความเพียรพยายามของเราเองวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศที่ลดคุณค่าของคนลงไปก็คือลัทธิหรือความเชื่อที่ไม่ใช่เป็นแบบคริสเตียนเพราะเขานั้นไม่ได้เห็นคุณค่าของคนถ้าปราศจากความเชื่อแบบคริสเตียนนั้นและปราศจากฤทธานุภาพของพระเจ้า ที่จะส่งผลกระทบผ่านทางผู้เชื่อสู่สังคมภายนอกแล้วการมองเห็นคุณค่าก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับพี่น้องครับแล้วเราก็ทราบครับว่าพระเจ้านั้นทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์และพระองค์ทรงเลี้ยงดูคนเหล่านั้นที่ร่วมกับประชากรของพระองค์ด้วยอยู่ด้วยกันที่ยังไม่ได้เป็นประชากรของพระองค์พระเยซูหรือพระเจ้านั้นก็เลี้ยงด้วยพระเยซูก็อธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ พี่น้องครับถึงแม้ว่าเขาพวกเขาไม่ได้เป็นของพระองค์การไม่ได้เป็นของพระองค์นั้นก็เหมือนกับขาดหลักประกันครับโลกของผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็จะไม่มีโอกาสที่สัมผัสกับการมีอย่างเพียงพอเพราะพระเจ้านั้นทรงเป็นต้นกําเนิดพี่น้องครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเมื่อพระเจ้านั้นได้ทรงให้เรามีอาหารการกินอย่างเพียงพอ เลี้ยงดูเราผ่านทางความเพียรยาร ย, ย, ยามของเราเองพระเจ้าก็ไม่ปรารถนาให้เราหมกมุ่นนะครับอยู่กับความต้องการฝ่ายร่างกายจนเกินไปมัทธิวบทที่หกข้อย5สิบห้าที่เราเห็นนะครับพรงจตรัสว่าพรงจะทรงดูแลเรื่องร่างกายของเราด้วยเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอไรกินหรือจะ อ, อะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกพระเจ้าทรงปลูกดอกไม้ในทุ่งนาทุ่งหญ้าพระเจ้าทรงปลูกต้นหญ้าและให้มันเกิดดอกทำไมเราจะต้องกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหม่ม ข้อสาบสองนะครับพยาจูสอนชัดพรงบอกว่าเพราะว่าพวกต่างชาตินะครับวงเล็บก็คือพวกที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าพวกที่ไม่ได้เป็นประชากรขอ ง, ของพระองค์พวกที่ไม่เข้าใจพระองค์จริงๆพวกต่างชาติเหล่านี้แสวงหาของสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ เพราะฉะนั้นพระเยซูก็ทรงตรัสต่อไปในข้อสามสามนะครับบอกว่าให้เราแสวงหาอะไรครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพี่น้องครับพระคัมภีต์ตอนนี้หากเรารู้บริบทนะครับเราจะมีความรู้สึกชื่นใจชื่นอกชื่นใจมากและจะมีความสุขมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงรักเราพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้เราเหมือนกับคนต่างชาติแต่ให้เราไว้วางใจพระองค์ ในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์เราทั้งหลายได้รับสิทธิ์นี้จากพระเจ้าก็คือสิทธิหรือสวัสดิการของพระเจ้าในการเลี้ยงดูพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลสวัสดิการของเราครับหลายทั้งทีเดียวเราเองนั้นเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการบารัยคนก็อยากจะรับใช้พระเจ้าแต่เป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเป็นห่วงเรื่องครอบครัวของเราครับเป็นห่วงว่า ครอบครัวงเราจะอะไรกินหรือจะอะไรดื่มหรือจะอะไรนุ่งห่มแต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์ดีเท่าๆกับเลี้ยงดูนกในอากาศเลี้ยงดูดอกไม้ในทุ่งนาและเลี้ยงดูหญ้าที่อยู่ในทุ่งหญ้าพี่น้องครับพระเจ้าตอบสนองเราโดยผ่านทางความเพียรพยายามของเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องจะเห็นนะครับ ใครก็ตามรวมทั้งผู้รับใช้ด้วยถ้าเขามีความพยายามมีความเพียรมีความขยันแน่นอนครับพระเจ้าเลี้ยงดูเขาอย่างแน่นอนใครก็ตามครับที่ทำงานด้วยความสักด์สืทอทํทำงานด้วยจริยธรรมที่ถูกต้องที่ดีทำงานด้วยการที่เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่รับการถวายงานของเราพูดง่ายๆก็คือว่าทำเหมือนกันถวายพระเจ้า เราก็จะรู้ว่าพระเจ้านั้นตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องกายภาพของเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้าเองจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ขอเพียงแต่เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นต้นกาเนิดและเราไม่จาเป็นต้องหมกมุ่นเครียดกังวลเป็นห่วงเรื่อ ง, ง, งตง่างๆเหล่านี้เพราะถึงไนก็ตามเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างแน่นอนพี่น้องครับในขณะที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรานะครับด้วยความเพียรพยายามพี่น้องเราต้องไม่พูดว่าโอ้พระเจ้าค่าข้าพระองค์ยุ่งอยู่กับงานฝ่ายวิญญาณดังนั้นข้าพระองค์จะรอคอยให้กาคาบอาหารมากินหรือบางคนอาจจะบอกว่าพระองค์เจ้าค่าขอชงช่วยข้าพระองค์ปลูกบวบด้วยข้างนอกมันร้อนจังอันนี้คือคําพูดของคนขี้เกียจครับ ความผีบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทํางานก็อย่าให้เขากินซึ่งเป็นคําของท่งานอัครทูตเปาโลในสองเทนูการบทที่สามข้อสิบเป็นคํากําชับของท่านอัครทูตเปาโลว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทํางานก็อย่าให้เขากินไม่เพียงแค่เท่านี้ครับหนึ่งทอมบทีบทที่ห้าข้อแปดหนึ่งทิโมทีบทที่ห้าข้อแปดได้บอกว่าถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศาขนาดญาติของตน และโดยเพราะยิ่งยิ่งคนในบ้านเรื่อง2องตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระาศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกคุณครับแน่นอนครับมีบางคนที่ไม่สามารถทำงานได้เราต้องเลี้ยงดูเขาครับแต่คนที่ทำงานได้นะครับต้องให้ทำงานผู้ใดไม่ทำงานก็อย่าให้เขากินครับจาร์บารโรมีใจเดินทางไปแถบเอเชียไมเนอร์เพื่อเรียรัยเงินบริจาค เงินทองกลับไปเลี้ยงดูทำมิกชนที่ขัดสนในเยรูซาเล็มก็ตามแต่ท่านเองนั้นก็ได้มีใจสงสารแก่คนยากจนที่ไม่ยอมทำงานพี่น้องครับฮีบราบทที่สิบเอ็ดกล่าวถึงทำมิกชนของพระเจ้าผู้ที่โลกเห็นว่าไม่มีค่าต้องถูกข่มเหงไม่มีที่ชุกหัวนอนไม่มีอาหารอดอยากไม่รับการเหลียวแลเปลือยกายบางคนต้องทนทุกข์ทรมานสภาพเหล่านี้คงจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราเพิ่งกล่าวไปหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่เลยครับที่น้องครับเมื่อเร า, เ อ, าอิจฐานว่าขอทรงโปรดประธานาน้ำเจ้าวันแก่ข้าพุทงหลายในการวันนี้เรากําลังพูดว่าเราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกําเนิดแห่งสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายในชีวิตของเราได้ที่น้องครับพระเจ้าเลี้ยงดูเรานะครับจนถึงเวลาที่เราจะต้องจากไปอยู่กับพระองค์ก็เท่านั้นเองครับ พระองค์อาจจะเลือกให้เรากลับไปอยู่กับพระองค์ด้วยความขัดสนของเราก็ได้แต่เราจะได้รับการเลี้ยงดูจนกว่าเราจะต้องตายและเมื่อชีวิตฝ่ายร่างกายจบสิ้นลงเราจะเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างเหลือที่จะประมาณได้พี่น้องครับทรัพย์สินของเราก็คืออาหารครับต้นกําเนิดของเราคือพระเจ้าการทุนข อ, ของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการที่เราให้ออกไปและ คระจักของพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้แยกอยู่โดดเดี่ยวการที่เราอธิษฐานว่าขอประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีความหมายถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นชุมนุมชนคริสเตียนนะครับส่วนกำหนดการก็คือในการวันนี้พูด ง, ง่ายๆครับก็คือว่าพระเจ้านั้นในแต่ละวันเราทั้งหลายได้รับการเลี้ยงดูจากพระองค์อย่างแน่นอนครับพี่น้อง เป็นการเน้นถึงความพึงพอใจที่เรามีเมื่อเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความมั่นใจในพระเจ้าและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเราเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรับประกันรับผิดชอบและทุกอย่างในมือของเราทั้งกายภาพและจิตวิญญาณนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราจะอธิษฐานวลีหรือประโยคที่ว่า ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทึงหลายในการวันนี้ที่จะเกิดผลตามน้ำพระทยของพระเจ้าตามคำที่พระเยซูได้ทรงตรัสสอนให้เราอธิษฐานอาเมน